กรพิตาขลันน้ำลายก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเดินอยู่ก็เดินหน้าถอยหลังหรือคู้เข้าเยียดออกในขณะนั้นกายกับจิตทำงานร่วมกันอยู่ศูนย์กลางของการงานนั้นคือความรู้สึกตัวได้ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของคำว่าชีวิตชีวิตหมายถึงความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวเพื่อที่จะให้เข้าใ จ, จากระจ่างผมจะใช้วิธีการอุปมาคือสร้างเรื่องซึ่งไม่จริงแต่ว่าเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเมื่อเรา เจริญภาวนานั้นเราจับที่จุดไหนกันแน่สิ่งนี้ยังทำเล่นนะครับคำสอนมากมายก่ายกองด้านทฤษฎีนั้นอาจจะเป็นเพียงกองขยะมูลฝอย่านั้นคือนำมาปฏิบัติจริงๆไม่ได้เลยคำภีสักร้อยคำภีหมื่นคำภีสู้คำแนะนำต ร, ตรงจุดเดียวนี้ไม่ได้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 ซักศพที่ไร้ชีวิตที่จริงเมื่อผมพูดคำว่าศพไม่ได้หมายศพที่เน่าเละแล้วนะครับที่จริงคนที่ตายแล้วยังมีชีวิตยอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตายเช่นเซลล์ต่างๆยังเป็นอยู่ไฟธาตุยังมีอยู่ความควบคุมกันอยู่ของของกลุ่มเซลล์ต่างๆนั้นยังเป็นแต่ว่าเขาตายแล้วและที่ไมนานเดี๋ยวก็เน่า เม้นขึ้นมาแนละ้วนั้นที่จริงความตายมีหลายชั้นมากครับทิ้งไว้เหมือนเราตัดลำไม้ไผ่นครับเราตัดออกจากกอเ น, นี่ยเราทิ้งไว้มันมีที่มันงอกต่อยตั้งเดือนกว่าจะแห้งเป็นสีเหลืองคสมมุติว่าคนคนหนึ่งชุบคนชุบชีวิตคนหนึ่งขึ้นมานะ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 สภาพรู้ตัวได้ก็ปรากฏขึ้นสภาพรู้ได้เข้าใจไหมครับก็ปรากฏขึ้นแต่ลำดับถัดมานั้นคำถามหรือความคิดก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเห็นไหมครับตอนนั้นก็ลุกขึ้นเดินสะบัดเนื้อสะบัด ต, ตัวเดินกลับบ้านไปหาลูกหาเมีย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 เวลาตายก็มันที่จริงเราไม่เคยมีชื่อเลยนะแต่ว่าชื่อเป็นสิ่งที่พ่อแม่เรียกกันเพื่อนฝูงทีนี้คำถามมาเกิดขึ้นว่าเมื่อเราจะภาวนาเ น, นี่ยเราจับเอาชีวิตช่วงไหนถแน่ชีวิตตอนเป็นศพไม่ต้องพูดถึง น, นนะครัรามปฏิบัติไม่ได้แล้วจริงไหมทีนี้ถ้าเร า, เ, ราเดินคิด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 ซึ่งแบ่งแยกจากตัวการกระทำเข้าใจากครับเหมือนที่เราชอบมีปัญหามาถามผมเดินอยู่แล้วให้กําหนดรู้ว่ากาลังเดินใช่ไหมแล้วผมบอกไม่ใช่นั่นเป็นเพียงความคิดเท่านั้นแล้วก็งงครับเพราะเราติดอยู่ในโลกของความคิดแทบจะทั้งวันความคิดทั้งนั้นนะครับที่ผมคิดว่าเป็นชายคนหนึ่งนี่ก็เป็นเพียงความคิด เห็นผู้หญิงเขาก็คิดว่าโอ้นี่เป็นชาวสุราษฎร์ชาวบ้านดอนนี่เราก็เริ่มคิดอีกแล้วครับเป็นโลกของการแยกแยะแล้วก็สาธยายคือบรรยายให้ตัวเองฟังแทบจะตลอดเวลาแล้วก็เดินไปตลาดเห็นฝรั่งคนหนึ่งเดินมาผมยาวเฟื่อยเราก็เริ่มบรรยายทันทีเข้าใจไหมครับโอ้เขาจะเป็นชาวกรีกหรือชาวนอร์เวย์นาะเนี่ยเริ่มบรรยายอย่างงี้ ดังนั้นเราเราโมวบรรยายโลกนี้ให้ตัวเองฟังครับเสียงกระซิบในภายในวิตกวิจารต่างๆฟุ้งหมุนอยู่อย่างนี้ฮรับแต่เรารู้สึกว่าการบรรยายนั้นเป็นเรื่องที่ที่ฉลาดด้วยครับนั่นก็ถูกแต่ปัญหาหนักอยู่ตรงนีค้คือเราจะไม่รู้จักโลกที่สงัดเงียบปราศจากคําวิาพากษ์วิจารณ์ ถ้าเราไปนอนหลับสนิทก็จบสิ้นการบรรยายแต่บางทีอาจจะบรรยายต่อในคามฝันผมพบว่าเมื่อตื่นมาตอนเช้านีครับสิ่งแรกคือคำพูดของตัวเองโอ้กาดหนาวจงังนื่อคืนนี้น่าจะนอนต่ออีกสักหน่อยนะแล้วเราบรรยายเราพูดตลอดเวลาครับผมถึงบอกว่าเวลาภาวนานั้นอย่าให้มันพูด ถามว่าทำยังไงไม่ให้มันพูดไม่มีคำตอบเลยครับอยากพูดออกมาเห็นอะไรเห็นเฉยๆได้ไหมครับน่ทีนี้มันยากตรงนี้ครับตรงที่ว่าเมื่อเราจะปฏิบัติภาวนานะครับเราต้องมีสมาธิในการปฏิบัติประจากสมาธิแล้วมันมันมันไปไม่ได้ครับ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 เราเอาความรู้ด้านพระคำผีนี้มาละความลิสิยาผู้อื่นนี้ไม่ได้ครับมันมันคนละเรื่องไปเลยพระคำผีที่เราทรงจําหรือความรู้ที่เราจำมาจากครูบาอาจารย์นั้นมันเปรียบเสมือนภาพของเปลวไฟภาพวาดภาพถ่ายของไฟซึ่งมันเอามาต้มน้ําให้เดือดไม่ได้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 คือความรู้สึกล้วนๆ น, นี่เองเข้าใจไหมครับนี่คือเชื้อไฟของมันตอนานั้นก็กระพือขึ้นมาก็คือเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวนี้จะก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตลอดเวลาผมได้เน้นแตเรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับในการบรรยายนี้แต่ว่าความเข้าใจของพวกเรายังไม่สมบูรณ์จริงเมื่อคืนนี้มีคําถามมากก็คือว่าเราคิดมากกันเองครับ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 ผู้คนในครั้งในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลนะครับตามที่ผมาหนาเรียนมาในสายพิจ ด, ดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะครับแต่นังจากท่านสอนหลายคนหลายนิสัยต่อมาเมื่อเขารวบรวมคำสอนมากลายเป็นแปดหมื่นสี่พันมาทำมาขันขึ้นมาเนะี่ยแล้วตัวผมเองนี่เขาจะผิดคิดว่าก่อนเราจะปฏิบัติเราต้องรู้คำสอนพระพุทธเจ้าให้หมด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 พระเจ้าท่านแนะนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าคำแนะนิดเดียวของผู้รู้ย่อมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทีเดียวทุกวันนี้เมื่อเราเข้าไปในวัดหรืออะไรเนี่ยแล้วเพราะว่าโอ้เวลาบรรยายธรรมกันเนี่ยพิสดารพผลึกเข้าใจไหมครับเข้าต้องเข้าปฐมฌ า, านเห็นโ น, น้นเห็นนี้ยกจิตขึ้นอย่างโ น, น้นผมเคยไปวัดหมห า, าธาตุฟังแล้วใจฝ่ำไปเลยค้ายๆ เอ้ทำไมธรรมะของพระเจ้าถึงยากเย็นถึงขนาดนี้เฉยเลยคืออาจารย์รุ่นหลังๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านรู้หรือท่านไม่รู้นะครับด้วยเหตุการณ์เมื่อพระพุทธศาสนาผ่านาห่ว ง, งการเวลามามันก็สะสมคำพูดคำอธิบายานี่มากขึ้นมากขึ้นฟังเรื่องในธรรมบทสักเรื่องสองเรื่องนะครับว่า เหตุการณ์เช่นนี้ล้วควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อทรูพี่เจ้าเคยเสด็จไปที่เมืองอารวีครับอาระวีแล้วท่านท่านสอนเด็กเด็กสาวอายุสิบสองขวบเด็กและกๆนครับสิบสองขวบให้ให้เจริญภาวนาเด็กคนนั้นมีอาชีพทอผ้าครับ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 เด็กนั้นรู้ข่าวว่าผู้เจ้ามาประทับที่ธรรมศาลากลางหมู่บ้านก็รีบถอผ้าเร่งงานนะครับเร่งงาน แ, แล้วก็รีบมาข้าเฝ้าซึ่งซึ่งประชาชนก็นั่งร อ, อที่ฟังธรรมนะครับพระเจ้าทรงถามว่าพี่เด็กอายุสองขวบเขาจะเรียกว่ า, um ากุมารีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกก um ุมาร ดูก่อนกุมารีพี่เจ้าถามว่าเธอมาจากไหนไคำถามง่ายๆ่างนี้ปรากฏกับเด็กสาวผู้ผู้กำมังเจริญภาวนานี่เป็นอีกความหมายหนึ่งเด็กเด็กตอบพระพิพจ้าว่าข้าพรงไม่รู้ตัดพูดภาษาชาวบ้านนะว่าฉันไม่รู้ที่พี่เจ้าถามย้ำว่าเธอไม่รู้หรือ เดกนั้นบอกว่ารู้อยู่ที่พี่เจ้าถามว่าเธอรู้หรือบอกไม่รู้ทีนี้ชาวบ้านฟังก็หาว่าเด็กนี่้ยวนพุทธเจ้าพูดภาษาชาวบ้านกันนะว่าใกล้ๆทะลึ่งไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงที่จริงพวกคนเหล่านั้นไม่รู้จักครับว่ารู้จักกับเด็กคนนั้นกำลันตอบโต้ภาษาทางหัวใจกันอยู่นี้ คนที่จะเดิพนพม่านจะเข้าใจกันภาษาเช่นนี้ทีนี้เพื่อที่จะให้เรื่องกระจ่างพระเจ้าก็ส่งขอร้องให้เด็กคนนั้นอธิบายต่างๆเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนบางทีคำเล่าผิดพลาไดไปบ้างนะสลับกันบ้างเธอมาจากไหนแล้วทําไมเธอตอบเราว่าไม่รู้ที่จริงน่าจะตอบมาจากบ้าน เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับถามว่าไปไหนมาไปดูหนังตอบกันอย่างนี้มาจากไหนมาจากสนามชนวัวคนธรรมดาติดยึดจิ่แต่เรื่องราวในโลกนี้ครับที่ธรรมดาคนมีจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในตัวเองนี่ก็คือกําลังอยู่สภาพประมาสตรนะครับไม่ได้อยู่ในสภาพสมมุติดังนั้นเด็กคนนั้นก็อธิบายว่าเมื่อพระองค์ถาม ว่ามาจากไหนที่ข้าพระองค์ตอบว่าไม่รูนะ้ชีวิตมาจากไหนตอบไม่ได้ครับไม้ว่าใครตอบได้ไนี่ยรวมไปถึงความรู้สึกตัวนี้ด้วยมาจากไหนเนี่ตอบไม่ไดค้คือมันไม่มีที่มาหรือถ้าสาวไปสู่ชีวิตจริงๆเนี่ยมันสาวไปหาปู่ย่าตาทวดแล้ว ม, มาจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่นั้นมันมันเป็นเรื่องสมมตินะคร แต่ถ้าเรื่องปรามัดแล้วนะครับเช่นความรู้สึกตัวนี้มาจากไหนตอบไม่ได้เล น, นี้พิะเจ้าถามว่าเมื่อเราถามว่าเธอไม่รู้หรือ <c oughs> ตอบเด็กตอบว่ารู้อยู่มันหมายความไงเด็กก็อธิบายว่าแม้ไม่รู้ชีวิตมาจากไหนแต่รู้ว่ามันต้องไปตายแน่ๆมันรู้เข้าใจไครับ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 องคุริมานก็ดีปจุลปันถก็ดีซึ่งพระเจ้าแนะนานิดเดียวเขาก็เข้าถึงที่สุดทุกขหรือเข้าถึงที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมนะผมคิดว่ารากฐานของการเข้าถึงธรรมนั้นอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้านะครับ เพราะถ้าอยู่ที่ตัวพระเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยต้องตรัสรู้ต้องเข้าถึงที่สุดทุกข์ด้วยหรือหลายหลายองค์พระเทวทัตนั้นไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นพี่เขยของพระพุทธเจ้าเองเพราะพระเทวทัตคือคือพี่ของของพิมพานะครับแต่แล้พระเทวทัตกลับล้มคว่ำไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวเลยดังนั้นหลายคนพบพระพเจ้าเข้ากับไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย ดังนั้นรากฐานของการรู้ธรรมะมันอยู่ที่เจ้าตัวนั่นเองครับอย่างพระพายะผู้เจ้าสัตวนี่เดียวท่านก็เขา้าใจได้ดังนั้นเราต้องสร้างรากฐานมากๆครับที่จะรู้ธรรมะผมใช้ศัพท์คำว่าสร้างรากฐานถ้าเป็นศัพท์โบราณที่คนไทยโบราณนิยมเขาเรียกสร้างบารมีครับเขาพูดกันอย่างนี้สร้างรากฐานสร้างสติ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 จิตใจใสมมติมันคิดเรื่องนั้นแต่คิดแล้วทิ้งคิดแล้วทิ้งไอ้ น, นี้มันธรรมชาติของมันใจิตใจไม่ใช่วัตถุที่จะตั้งนิ่งอยู่โดยไม่รับรู้อารมณ์เลยนั่นไม่ได้ครับแต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรับรู้อารมณ์ซัดสายไปในหลายอารมณ์ในหลายเรื่องหลายราวก็ เ, เรียก น, นานานิมิตเหมือนซัดสายไปมากก็ฟุ้งซ่านครับ พุ้งรานแล้วก็รําคาญอยู่ภายในตัวเองแล้วก็คนไม่พบความสุขง่ายๆดังนั้นความสุขจึงกลายเป็นเรื่องพิสดารพันลึกคนที่กระหายความสุขก็คือคนที่ทุกข์มากๆนะครับถ้าคนที่ทุกข์น้อยความสุขเป็นสิ่งไม่ค่อยจำเป็นนะรหรือคนที่สิ้นทุกข์ความสุขก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไร ไม่ใช่เรื่องจำเป็นถ้าเกิดเกิดเองถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรแบบนี้นะครับลองย้อนกลับไปที่ต้นเหมือนที่ผมได้อธิบายนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องพรวัวพวงถึงเทคนิคของการฝึกจิตมากมายเนาะนะครับสมัยผมหนุ่มๆผมหันมาทางธรรมสนุกอยู่พักกับการอ่านตำรา รืมเข้าฌานนั้นยกจิตอย่างนั้นนึ่งสนุกมากครับแล้วรู้สึกพุศาสนาเนี่โอ้โหเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะแต่นานเข้าผมถามตัวเองแล้วแล้วเราทํามันได้หรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าเราเพียงแต่ว่าอ่านมันไว้เล่นๆไว้ขู่เพื่อนครับเราอธิบายได้ที่จริงเราก็ทําไม่ได้อันที่จริงตามผมเข้าใจใหม่หรือเดี๋ยวนี้นะครับว่า เราไม่จำเป็นต้องพวงเรื่องนั้นนะครับเราจุดเชื้อขึ้นก่อนนะครับเผียบเผือดก็ดเราจะเผาป่านะครับไล่เราไม่จำเป็นเลยที่ต้องลาดน้ำมันเข้าไปทั้งทุ่งแล้วจึงจุดเข้าใจไหมครัเราเพียงรอจังหวะช่วงลมดีๆแล้วก็ไปที่ต้นลมแล้วก็จุดไฟขึ้นมันจะลุกลามไปเองจนกระทั่ง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 เผลอไป น, นี้นี้สมาธิก็จะถูกทำลายเหมือนก็เชื้อไฟที่เราจุดขึ้นดีแล้วนะครับไอ้ลมมันพัดมาเปลวมันดับไปดังนั้นสมาธิจะเริ่มจะเริ่มต่อเนื่องต่อเมื่อเราไม่พลัดเข้าไปในความคิดปรุงแต่งคือไม่เผลอเข้าไปในความคิดแต่ว่าถ้าเราไปหยุดยั้งความคิดนะครับสมมติว่าเราจะกดไม่ให้มันคิดสมาธิของเราก็จะพลัดไปสู่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 ตามที่ผมสถิปัญญาผมบอกนะครับการเอานิมิตอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งโดยเฉพาะนิมิตทางศาสนาที่เป็นสิ่งที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์เชื่อเป็นนั้ น, น บ, บ้าง่ายครับเพี้ยน ง, ง่ายนิดเดียวและผมเห็นเยอะจริงๆเลยและเตือนพวกเราด้วยความหวังดีะระวังประสบการณ์ทางจิตประเภทเอ็กซ์ทราครับอันตรายมากๆเข้าใจัหยครับนั่งๆเราเห็นแสงอะไรมา ตอนนี้ผมรักษาอยู่สองคนนะพวกนี้เป็นพวกเพ่งเห็นเห็นแสงเห็นสีคนหนึ่งนั่งๆได้ยินเสียงเทวดาพูดเลยเพี้ยนเป็นสามเดือนแล้วท่องเวียนมาพบผ ม, มบ่อยเพี้ยนแล้วมันไม่ใช่ เ, เล่นๆนะผมพี่บอกเสียคนนีเดียวครับประสบการณ์ประเภทเอ็กซ์ตร้าเอกซ์ตร้าอนนี้หมายว่าประเภทพิสดารพันลึกเข้าใจไครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมะ แต่แล้วเราก็เลี่ยงไม่พ้นครับดังนั้นเราควรจะหาหลักประกันโดยหาประสบการณ์ง่ายๆประสบการณ์การพลิกมือหายใจเข้าหายใจออกแล้วกาหนดรู้อันนี้เพี้ยนไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเข้าใจไหมครับเหตุที่เกิดพิศดานพันลึกขึ้นมานั้นเพราะตัณหารครับเอคืนนี้ผมเล่าไว้นิดหนึ่งอย่าถือเป็นสาระนะแต่ผมที่ผมบอกว่า นั่งแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยากเห็นนั่นเองอยากเห็นคือสิ่งนั้นปรากฏได้จริงแต่ไม่มีจริงคือปรากฏเราก็เป็นสิ่งจริงแต่มันไม่มีจริงเลยพเพราะตกตัวเองหรือขยิบตามก็หายไป ท, ทันทีแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนซึ่งมีอุปนิสัยแปลกประหลาดนะครับนมันจะติดตาทีเดียว น้วมจะหลอกหลอนวิป ร, ราดเสียคนได้เพื่อนผมคนหนึ่งเขานั่งสมาธินั่งสงบที่คืนหนึ่งดึกๆเขาเขารู้สึกตัวเขาตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ปลุกโคนโน้นคนนี้มาให้นั่งฟังเขาจะสอนเขาอย่างนั้นนั้นต่อมาเพื่อนๆก็ต้องพาเข้าลงจยบานครับคือประกอบแกไม่สบาย ที่สวนโมกนั้นก่อนหน้าผมไะอยู่มีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิเขาเจริญอะไรครับเตโชกสินนั่งเพ่งไฟมันตกดึกขึ้นมาแล้วแกวิปลาดอะไรแก็วิ่งพุ่งหัวลงในหนองน้ำแกบอกว่าไฟลุกตามตัวแกที่จริงไม่มีครับแต่เป็นเป็นความรู้สึกที่ผิดปกติ แล้วก็วิกลจริไปประมาณสิบปีเศษผมผมขอเตือนพวกเราเลี่ยงให้ไกลเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผลที่เกิดจากการพยายามที่จะให้เห็นสิ่งสิ่งพิลึกพิสดาร น, น, นั้นนะครับรากฐานก็คือตัณหาอยากจะมีริษมิเดชแล้วก็ผลก็คือกลานคนที่หมด